หล <c oughs> ังทำต่อจากที่เราได้สาธยายพระสูตรบทต่างๆตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ให้มีส่วนประกอบห้ายๆอย่างเพื่อให้เกิดสติปัญญาพัฒนาเก้าหน้า เรามีไอ้ขีปต้อ ง, อองอบอกก่อว่าขีปมีชิคเคาเรืทำเป็นเครื่องเลี่ยงชีวิตของเราด้วือว่าวรนไปิตไหนทำไม่ไหนนี้บรรพชิตคือผู้ที่เห็นภัยในวัตถะสงสารเราใช่นักปวด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 เขาอดยาก <c oughs> ต้องมีอาชีพกันทุกคนมีงานมีการทำอย่างที่เรามีกันอยู่ชาวไล่ชาวนาพ่อข้าราชการแล้วก็มีอาชีพอาชีพผงเขาเขาก็มั่นใจ พ่อค้าเขาก็มั่นใจว่าเขาจะไม่โอดไปหยากไม่ทุกข์ไม่ยากเ้าก็ลำดับลำนำการทามาค้าขายมีความเพียรตลอดเวลาเจ้านาก็ <c oughs> <c oughs> ขยอนหันเพียรตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนาคิดจะไปทำไร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 ข้าราชการ ล, ล, ลาดับลํานการงานของตนงานก็ไม่ค้างคางสำเร็จเดีย๋ยวนี้เราก็มีงานธรรมทูตเราได้ทำอะไรบ้างทางเจระสาวคมขออยากทราบ เราต้องหลังงานให้เขาทราบในช่วงนี่ปีหนึ่งเนี่ยงานที่มีความเป็นจริงยังไงเราทำอะไรอยู่ที่ไหนเคยทำอลายเขาอยากจะรู้แล้วก็เราเป็นอุปชาเขาก็หลอกเะลู้ว่าบวชคุณบุตรปีหนึ่งมีกี่คนที่ลูกมีกี่ เนรแจ้งเขาทราบเขาจะได้ทำสถิติว่าพระสง์เกิดขึ้นรวบรวมแล้วในภาษาจีลูกเพื่อเป็นตัวเลขเอาไปกำหนดไปพิจัยว่ามันเสื่อมหรือมันเจริญขึ้นคนมีศรัทธาหรือคนมีไม่มีศรัทธาคุลบุตรออกบวชพี่หนึง่งเท่าไร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 เกเจ็เจบตายแน่นอนความหลงมีอยู่แน่นอนความทุกข์ก็มีอยู่ความรักความชังก็มีอยู่แต่ว่ามีความหลงอยู่งานก็ค้างไม่สาเร็จแล้วก็วาลุบความเพียรตะคองตั้งจิตไว้ใส่ใจเพื็นประกอบถอดถอย เห็นความหลงแบบงานของเราความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่างานของเราเหมือนกับเราจนจะโยมจนอยู่ไม่ได้จนตความทุกข์จนตความโกรธต้ อ, ตองตความโลภความหลงไม่ใช่เราจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์สมบัติพัฒนาให้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 เมื่อการเกิดเจ็บ เ, เจ็บตายโน่นทางที่เราจะเดินไปอย่าไปประมาทในความหลงอย่าประมาทในความทุกข์อย่าประมาทในความโกรธอันแหละงานของเราเหมือนคนอดอยากงอมืองอเท้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะกินอะไร มีอะไรกินจะได้มาจากไหนต้องเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ด้จกักรหมหาจินหรือ <c oughs> ชีวิตของเราก็มีสองส่วนส่วนกายส่วนจิตใจมันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องมีงานทำปาลุกความเพียร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 เวลาใดมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันพอใจไม่พอใจเกี่ยวกับกายที่มันแจงออกถอนออกมีสติมีสำญญะตั้งไว้เวลาใดมันหลงมันสุขมันทุกข์ต้องสติลงไปตรงนั้นมันมีอยู่ทุกชีวิตนั่นแหละภัยเล็กแต่น้อยเมื่อมีภัยอย่างนี้มันก็มีภัยต่อไปเรื่อยๆ อกุศลละธรรมก็เกิดขึ้นเลยเรื่อยถ้ามีความหลงเป็นสุขเปทุกข์จึงพอยอมละอกุศลลธรรมคือมีสติไม่ให้เกิดขึ้นอีกความหลงทําให้เกิดความรู้แล้วความทุกข์ทำให้เกิดความรู้แล้ ว, ว, ว, ลวอย่างนี้กลกอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้น ยังกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้งอกงามไพลูลยิ่งขึ้นมันก็งามได้ก้มหลงงามเป็นความรู้ไพลโวลขึ้นเป็นความรู้ความทุกข์งามเป็นความรู้ทุนจาะควงลูกทุ่นเจาะความทุกข์ความหลงเรียกว่าภวามวิจารณ ตรงม่เจริของเราให้เป็นไปเพื่อการถึงที่ถูกแห่งกองทุกข์ทั้งเช่นนี้คนเจ้าความหลงคนเจ้าความทุกข์คนเจ้าความวิตกกังวลอะไรต่างๆให้มันพ้นไป น, นั่นเองตองที่เราทำกันอยู่มีความเพียรคือกล้ากล้าลงาปอย่าเกียดค้าน ลบความเพียรมีสติมีสัมชัญญะมีความรู้สึกตัวเรียว่าความเพียรถ้าไม่มีสติไม่มีสัมชัญญะไม่ใช่ความเพียรมีสติถอนความว่อยใจและความไม่ปล่อใจเรียกว่าความเพียรแล้วออกไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ปล่อยทิ้งแล้วไม่ประมาทในความ ไม่ประมาทในกายไม่ประมาทในเวทนาในสุในทุก์ไม่ประมาใทนา ใ, นมมาในจิตที่มันหลงมันคิดมันสุมันทุ ก, ม, กมันมีเกิดขึ้นหลายอย่างเหลือเกินทั้งกายทั้งจิตแล้วก็มีธรรมอย่าประมาทในธรรมบางทีมันเป็นอุศสนถ้าทำจริงจริงมันเป็นกลางๆ แต่มันเพราะมันจะเป็นอกุศลและกุศลความเป็นกลางอย่างนี้เหมือนอพยกตาธรรมสุขเวทนามันก็เป็นสุขทุกขเวทนาก็เป็นทุกอพยา ก, ยากตาธรรมมันยังไม่ทุกยังไม่สุขอย่าไปบ้านอย่าไปเชื่ออย่าไปเฉยให้มีสติไปเกียวข้องต้องว้ตัต้องว้ เรามันสุขก็ถอนออกมาเวลามันทุกข์ก็ถอนออกมานั่นเลยว่า <c oughs> ทำเอาทมอย่างนี้เลยว่าอาชีพมันก็จบได้มันก็มั่งมีได้ในความเจริญไปบูนงอกงามในธรรมที่เป็นกุศล ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเจริญว่าขึ้นจนถึงมักถึงผลอย่างเนี้ยมันก็มีงานกันทุกชีวิตยอยู่ที่ไหนก็งานอันนี้แหละแต่เราก็มาอยู่ร่วมกันเป็นกันรยาณมิตรกันเพื่อนกันอบอุ่นใจกันขาโดยจงกรมขอนั่งทำความเพียรเราจะนอนอยู่มันก็เป็น สิ่งเวดล้อมที่ดีทั้งได้ยินได้ฟังเป็นส่วนประกอ บ, อบพบวสูตต่างมาสวดตอนเช้าตอนเย็นส่วนรวมส่วนตัวรวมกันปฏิบัติปฏิบัติส่วนตัวได้ทั้งด้านให้ลำดับลำน้ำ ให้เห็นแจ้งในกายในใจให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นน้มธรรมอย่ามวัวแต่ปฏิเสธนั่งสงบไปรับรู้อะไรถ้าไม่รับรู้อะไรไมันจะเป็นสมัทสมัทานี้เกิดก่อนวิปัฒนนาหลายพันปีจะดูเถิากะดาบทอรดาธดาบโดไดฌานสมบมัติ เกิดได้ฌานสมบัติแตน้น่นเขาศิริธรไปศึกษาสำนักนีกน้ก่อนเห็นว่าเช่นนี้ก็ยังไม่พอใจเจ้าศึกษาด้วยตนเองหลงทิศหลงทางไปมากมายจนมาเห็นเนี่ยมาเห็นที่ประสูตร์เนี่ย เอกมร์เนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยนี่สติเนี่ยได้หลักเนี่มันเข้าข้ามาเห็นกายเห็นใจแท่นอนมองกับแต่ก่อนมันไปข้างนอกบอนนี้มามองกับบางทีปฏิเสธบางทีก็ยอมรับเป็นศิลป์คตปล่อยสำคัญมั่นหมาย ต้นศิลป์พจน์เป็นจักรยทิฏฐิเป็นวิจิจิชาสงสัยอยู่ด้วยศิลปะตะศิลปะตปะปลามาต่อมามีสติดูศักรยทิฏฐิไม่เห็นกายตามความเป็นจริงอะไรที่เกิดกึ้นกายถึงว่าตัวว่าตน เราดูเขาจริงๆมันไม่ใช่ตัวเชยตนหลงกลหลงเล่ของกายถ้าให้โศกไฟทุกข์ที่จริงเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นนาการของเขาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่ได้เรื่องของกายตวามร้อนก็เป็นเรื่องของเขาความหนาวเป็นเรื่องของเขาความหิวเป็นเรื่องของเขาความ ปวดเป็นเรื่องของเขาเราก็ไปเอามาเป็นตัวเป็นตน้นหรือ ว, ว่าสกายทิศทิน่าเห็นใบบัวเห็นเป็นรูปนี่คือรูปเป็นมหาภูตแต่รูปเป็นรูปที่เขามีความ เป็นปรมมตจัสภาวัธธรรมเรล่อเป็นหนาวเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นหิวเป็นปวดเป็นไม่ใช่เราเป็นตัวเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดเกิดรูปแ้่ก่อนเราก็หลงตรงนี้กันพอมาเห็นแจ่งเห็นเป็นรูปธรรมเป็นธรรมชาติเป็นอาการ สิ่งที่เกิดก็เกับลูกมีแต่ธรรมชาติหลงตัวมีแต่อาการที่ตามความจริงมันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลูก เ, เหนื่อยไม่ล่าไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลูกมันร้อนหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลูกแสดงว่าเขาทำหน้าที่ตามสัจจะของเขาถ้าเขาไม่มีเจ้านี้เขาอยู่ไม่โลด เขาก็ชิบหายตั้งแต่มันลูกอย่างนี้มันก็ยังชิบหายอยู่เขาก็รู้สิ่งธรรมชาติอาการเพื่อความอยู่รอดของเขาตามที่ที่พอจะทนไปได้ไม่เกินล้อยปีฐานที่มันเป็นเช่นนั้นไม่เคยต้านทานได้ลูกเนี่ย มันจะให้เหมือนเที่ยงอ้ไเป็นตัวเป็นตนเป็นใหญ่ของมันไม่ได้ก็ เ, เห็นธรรมชาติเหตุาการของเขารื่เห็นธรรมตามก็าเป็นจริงกายสวากายไปเนี่ยวางลงแล้วเบาลงแล้ววางลงแล้วในขณะที่เป็นสุขเป็นทุกข์ <c oughs> ที่มันบังเป็นด่านที่บัง ทำให้เข้าไปถึงธรรมไม่เห็นทำลายสกยติทิฐิไม่ได้ทำลายสีรับประดาปรมาไม่ได้ทำลายคนเมลสงใจไม่ได้เป็นการบ้านตลอดเวลาไม่จบไม่ชิ้นออกมาเห็นแจ้งเข้าไปในกายในเวชนาในจิต ไอธรรมันก็วิเวียนอยู่นี่กระบวนการเจรับชับช้อนมันก็ปิดบังปัญญาที่ลู้แจงแต่ถ้าเราเพียนพยายามศึกษาทะลุงย่อยออกมันก็ทะลุทะลวง สิ่งที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจได้สิ่งที่ทาไม่แจ้งยังไม่แจ้งก็ทำไม่แจ้งได้การแจ้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมเรียกว่าคื่อเข้าสู่วิปัสนารู้แจ้งวิปัสนาเกิดจากการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม เห็นธรรมชาติธนาการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายของเวทนาของกิดของธรรมมาลักวิปัสสนาไม่หลงแล้วตรงนี้ผ่านไปได้แล้วไขคุณเจเแจโซ่หลุดออกไป ไม่อกกายมาเป็นสุขไม่อกกายมาเป็นทุกข์ไม่เวทนามาเป็นสุขม่เวทนามาเป็นทุกข์ไม่จิตมาเป็นสุขไม่จิตมาเป็นทุกข์ไม่เอาธรรมมาเป็นสุขเป็นทุกข์แม้จะมีกุศลมีอกุศลก็รู้แล้วกุศลคือความฉลาดความสงบอกุศลคือความโง่ความฟุ้งซ่าน มันก็เป็นใหญ่เราขรบพ้นไปเอามื่อค้นจากสิเหล่า น, นี้ไปก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญากรมหลงกลายเป็นปัญญาปัญหากลายเป็นปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เกิดจากการรอบรู้ในกองสังขารคือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมนี่ย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 มันก็เป็นไปทานองนี้อันกรรมฐานนี่มันก็ส่งไปจนถือสู่วิปเจนาวิปเ จ, จนาก็รู้แจ้งไปเห็นอะไรตามความเป็นจริงจึงรัดรัดช่วยรัดรัดหน่อยเขาเลยบอกว่าให้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นไปก่อนเป็นพลังแรงเสริมเข้าไป เห็นกายนะ่ะเห็นเวทนาเห็นชีเห็นทธนธรง ม, มันก็มีหลงมีรู้มันรู้ก็หลงมันมันรู้ก็เห็นนะ่ะมันหลงก็เห็นนะั่นน่ะมันสุขก็เห็นนั่นน่ะมันทุกข์ก็เห็นนะัน่นนะ่ะง่ายๆดีถ้าไปเป็นระมันเสียเวลาจึงบอกชัชนะวิธี เอาไปใช้ให้มันแตกขานเมือนเราเรียนขตศาสตร์มีโจทย์เกิดขึ้นเพราะเราอ่านโจทย์เราก็ตอบได้แล้วเหมือนเราเรียนปริยัติคันธทุละแล้วก็ต้องมีโจทย์ เพื่อให้เรามีปัญญาในโจทย์นั้นไม่ใช่งู่เวลาโจทย์เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาไหายกยในใจเราเี่ก็มีโจทย์บางทีเราก็มีจำเลยของเขาอยู่เป็นความหลงเป็นโจทย์ชีวิตเราเราเป็นจำเลยตกความหลงยอมรับถ้าเราเรียนรู้ก็ฉะลยได้ ไม่ต้องไปจำนอนไม่ต้องใจออมรับก็เลยเป็นทิสละเหมือนพี่ภาคสาธตุลาการความเกิดความแจกความเจ็บความตายเป็นโจทควมไม่เที่ยงกว่าเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตนเป็นโจรของชีวิตเราเราต้องไม่เป็นสละพัเรื่องนี้ก่อนไม่ยกเว้นใครเราจะมา ผิผ้าศร า, าให้มันเป็นธรรมขึ้นมาความหลงไม่เป็นธรรมเลยความรู้เป็นธรรมขั่วความทุกข์ก็ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมกั่วความโกรธก็ไม่เป็นธรรมความไม่โกรธนี่เป็นธรรมเรียกว่า <c oughs>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 เราจึงเป็นหน้าที่ของเราเป็นงานบุญศึกษาธรรมะเนี่ยปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยมันเป็นงานบุญแล้วก็รับความช่วยทความดีอยู่แล้วให้เข้าสู่ทางถิ่นทางธรรมไปดำเนินชีวิตไปตั้งแต่ดุมน้อยๆเนี่ยจะมี ความสงบเป็นศิลภาพไปนานถ้าเราไม่ศึกษามก็จะเป็นภละไป็นแนวนานพ่อคูณไปเรื่อยๆจนเป็นเปรต เ, เป็นสุ่กายเป็นซาตโล ก, กายโน่มันจเจริญในอกุศลมีเหมือนกันทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายถ้ามันจเจริญในอกุศลแล้วทำชั่วได้ง่าย จะทำดีได้ยากถ้ามันเจอในกุศลทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากมันก็กลับกันทังแนวการใช้ชีวิตของเราเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนตนและเป็นไปเพื่อการไม่เปลี่ยนคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นเราอยู่ร่วมกันสันติภาพสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสัตว์สังคม ไม่พ่อไม่แม่พ่อแม่ก็ไม่ลูกไม่เต้าไม่หลานเหลนนี่พี่แม่น้องมันก็มีผลกระทบในทางดีได้ชีวิตของเราเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นสายเลือดบางทีเราอยู่วัดเรามีลูกมีหลานพันยาสามีอยู่บ้านเขาก็หวังพึ่งเราอยู่ คิดข่าวว่าเราเป็นลูกชายของพ่อของแม่มาบวชแล้วหวานกับว่าพ่อแม่หวานไม่ล็ดพืชหลงไปหวังข่วงมอกงามไั่บูรณ์ของลูกเวบอจะเป็นคนดีปัญญาสามีมาปฏิบัติผู้อยู่บ้านก็หวังพึ่งคงจะเป็นคนดีสุขใจไม่ใช่ไปเที่ยวตีเล่อน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 กะฟังลูหรือไม่ลู้ก็ตามใจภ <c oughs> าษาอีสานฟ <c oughs> ้านจินมาขำป่องไปข้าข้อมังมังบวขีสามมือต า, ตายตายตายตายแล้วเห็นอุ่ม่นเ n าน้อง <c oughs> รู้เรื่องไหมไม่รู้ฟ <c oughs> ้านจินมาขำป่องฟ้านคือจัดอยู่ในเนี่ย มันจินหมักขำป้อมอยู่อหลงจากหอยใจมามีต้นขำ ป, ป, ป้อมอย่งนั้นมันจินหมักขำป้อมโยไปไปคาค้อมัง่งมั่งไม่ใช่ปานนะเป็นกวางที่ไม่มีเขาเรียกว่ามัง่งเอมั่งก็มัง่งไปคาข้อมังม่งมั่งมันไม่ขี่ไม่ถ่ายไปก็ตายไปตายไป ตายตายแล้วแทนที่จะตายมันจะเน่าเป็นเน่าเห็นรูมเนะเห็นรูมมันมีกลิ่นหอมแต่มันป็นเน่าอยู่เนาะทําไมตัวนี้ทํำแล้วตัวนี้ทํามาจึงเป็นอย่างนี้ตัวนี้ทําไมสี่ตัวทํา ไ, ไมเป็นอย่างนี้ฮะรู้เรื่องไหม <laughs> <laughs> อาษาอีสานฟานจินมาขามป้อม ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเราเนะี่ยเป็นลูกของพ่อของแม่ไปทำชั่วไปเจ็บใจใครฮนะถ้ลูกทำความชั่วใครเป็นคนทุกข์โทษแม่เป็นคนทุกขนะ์ไปคาที่ไหนละ่ะตัวลูกเป็นการทำไปคากับใครฮนะไปคาอยู่กับพ่อมาแี่นี ทุกใดๆแม้ทรมานจิตใจพ่อแม่ถ้ากับลูกว่าพืชชั่วเสืียหายแมนบอผมมีลูกเป็นโต อ, อ่ ะ, ะ <c oughs> ขาไหมขาคอไหมลูกเป็นคนชั่วหรอขาคอนั่นแล้วทุกใดๆแม้ทรมานจิตใจพ่อแม่ถ้ากับลูกว่าพืชชั่วเสืียหาย ดุกใดๆไม่สมานจิตใจของสามีพัญญาถ้าขับสามีพัญญาเป็นคนชั่วเสียหายอะไรก็ตามต้องเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ร่อนบกขีสามมือตายตายฟ า, านตัวนั้นถ้ามันไม่ขี้ออกมันกินแล้วมันต้องขี้มันทำชั่วเรกมาต้องรัอย่าไปทำอีกต่อไปอยอมรับ เอาละพ่อครับแม่ขยาลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้จะไม่ช่อยต่อไปอย่างนี้ถ้าไม่ขี้ออกก็ตายก็ตายก็หมยา่าทั้งหลายกระทบกระเทือนไปหมดสเสมือนว่าชิ่งจบตัวหน่งตายลงไปในออคงน้ำาอคงน้ำ ใดใหญ่แทงน้ำใหญ่ชิ้นจบตนล็กแค่ไี้ไปแช่อยอามันตา ย, ยน้ำในองค์ในแทงก่เน่าไปเลยตะกูลนั่นเน่าไปเลยเสียหายไปเลยเป็นที่หลังเกียรติของคนท่องหลอยงานอือ <c oughs> บางทีมีประวัติ ด, ด้วยเขาสอบประวัติ มามีอะไรคนตระกูลเนี่ยแล้วก็มีเป็นอย่างนั้นมาอย่างตะบัวสอบสวนอยู่ข้อดีต่างๆ่างเขาอย่างหลองตาพาผีบ้าไปรักษาไอ้หมายเนี่ยมันก็สอบประวัติเราก็รูปประวัติเขาเพราะว่านี่แต่เห็นแต่น้องชายมันก็เหมือ น, น เ, ววเนี่ยก็ว่าตระกูลเนี่ยเขาเลีกบ้าเลือดรักษาไม่ได้ รักษาไมา่ได้ถาว่าที่มันเป็นประสาทเนี่รักษาได้อยู่ใครเป็นโรคประสาทเอามาเนี่ยเอามาชุโกโตโตเนี่ยแต่ว่าเลือดรักษาไม่ได้เ็ดไอ้ไม้ไอ้หลายอยู่เนี่ยมันเอาไม่ได้ละตะกตกลมางตะกูนมันเป็นสายเลือดเราเนี่ยจะตัดออกไปเลย ชิ้นกรรมไปเลยนยะให้มั่นใจยนะจาตกตะโกลของพระทิของกษัตริย์ชดโทธนะแล้วก็มีการถือกันหลายอย่างจิตทปฏิวัติเลยปฏิวัติในวันนะต่างๆกษัตริย์พามแพรพู่ตร จิตต์ก็มาเห็นการเกิดเจ็บตายเอา้ากษัตริย์ก็ตายเป็นถามก็ตายเกินแพทย์ก็ตายเป็นจันทรนสูตรก็ตายเป็นมันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายด้วยกันนะปฏิวัติออกปวดกษัตริย์เขาจะเข้าข่มจิตต์โกนผมที่หนยเคยใส่เช็ดเดาเคย ใส่เกียกแก้วถอดทิ้งห่มผ้าสีฟาาปฏิวัติเลยขอจินจนพระเจ้าโสธะโพรดอ่อยคนทั้งโลกเลยขอร้องมาให้อ้วมบาดขอฐานมันจะเป็นจันทานไหมปฏิวัติเราเราน้ปฏิวัติยกนิ้ว เราเนี่ยลูกข้อนี่แม่นี่เราละคนหนึ่งให้คิดอย่างรกันรับผิดชอบช่อชูตระกูลของเราให้ดีเหมือนดอกมะลิดอกเดียวใช่นีมไปรอเย็ยนน้ํายหอมไหมน้าหอมไหมหอมไปเลยเนี่เอาเปรียบเทียบกัน ก, ตกน็ตายก็เน่าไปตายก็ตายตายแล้วเห็นรมเน่าโอ้เจ้าพรมดี อเเหมือนคนอินเดียนะก็คนเดียนะผู้หญิงต้องไปแต่งผู้ชายนะแต่ผู้ชายนี่ต้องสงบสิ่งเงียบ ม, มากที่สุดเลยเพราะแม่ต้องดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็มีตระกูลด้วยถ้าตระกูลนี้มีสาวสาวไปแต่งเราเขาก็ดู สิ่งแวลอ้อมก็หญิงสาวคนไหนได้สามีที่ดีเขาจะโชว์ท่องหน่อยๆเห็นเขาใส่ชุดสาลีไหมโชว์ท่องแล้วมีมีก้อนเนื้อจักลันหนังโชว์ไว้ให้มคีความสมบูรณ์ผนสุขมีความสุขมีอยู่มีกินไม่อดไปหยาบแสดงว่า ถ้าหญิงใดมีสามีแล้วจะรู้สึกว่าอ้วนท่วนสมบูรณ์สามีเขาดูแลรักษาดีแตู่นนั่นถ้าเราดูผู้หญิงปัญญาของแต่กนนั้นมีลูกสาว ม, มีลูกชายจีกนจะไปขอบางบทหลังก็หวังเพิ่งน่ะ <laughs> อีกอันหนึ่งสามีคนใดที่ออกจากบ้านไม่มีห่อข้าวไม่มีน้ำไปกิน แสดงว่าตะกกลของหญิงคนนั้นไม่ดีดูแลสามีไม่ดี <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีใครต้องการมาขอขอ้ขอแม้ว่าดูไปอ่ า, อ า, า, าแล้วดูไปถึงพงเผ่าโรคก่ถ้าสามีคนใดไปออกจากบ้านไปไม่มีห่อข้าวไม่มีข้าวกินแสดงว่าพัญญาเขาไม่เอาไหนเลย เป็นคนเกียรข้่าไม่ทำหน้าที่อะไรเลยอันนี้เขาก็ดูว่ามันจะเป็นสายไปตระกูลที่ดีก็หอมไปเหมือนดอกมะลิตระกูลใดที่ไม่ดีก็เหม็นไปเหมือนซาก ข, ขี้จกุกรออยู่ในตะกูลเพาะอันที่มาก้าป้อมไปฆ้าความมังบ่อขี่สามมือตายตก็ตายตายแล้วเห็นโอมเหนวนำ้ำอันนี้คําโบราณท่าน ทานพูดอะไรไม่รู้แต่ว่าเรามามาปิดสนามาวิตปริทัดลองโลมันก็ได้ความอย่างนี้แน่นอนที่สุดเลยแต่วันนี้ก็ไม่อยู่คนเดียวอยู่ร่วมกันเราอยู่ในสาวาดนี่สามเดือนไม่ใช่สามเดือนเลยตลอดชีวิตอย่งหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อเทียน40จกว่าปียังเป็นสัญญาลึกๆ ในหัวใจเราเป็นภาพที่เรายกกว่ายตัองได้บางโอกาสเดินจงกรมใต้ต้นขาขี้หมูต้นขาขี้หมูต้นเย็นเย็นเดินจงกรมไ ป, ไปกระมามีการเกิดอะไรขึ้นกับทีวีเรานอกจากไปนั่งทํทำกระเพียนอยู่กติหลังหนึ่งคิดเหนือของกติหลงพ่ะเทียนไป กะดีลังนั่นน่ะเอาหีบศพมาปูนอนเอามาเป็นฝาเวลาเขาหีบศพมาเผาไปขอเขากระดานหีบศพไปขอเขากระดาษที่เขาติดไว้ลายๆเล ย, ล ย, ลยไม่จะออกเลยมาตีฝาเ <c oughs> จอกะดีลังนั่นนะไม่เพื่อนก็เอาหีบศพมาปูนอน เขาก็ทำแปลกๆนะจไหมได้ไหม <c oughs> เลยโ้นนะก็ทำให้ชิดเราเปลี่ยนแปลงไปกติรังหนึ่งก็ตทางทิศ ต, ตะวันตกเฉีงยงใต้เราทำความเพียนแล้ทำให้มีสัญญาลึกๆเดีเดี๋ยวนี้ <c oughs> ป่าพุทธยานกลายเป็นราชพัฒน์มังเลยแล้วก็ยกมาสร้างใหม่ แล้วก็มีสัญญากับหลงพระเถียนสี่ิบกว่าปีสัญญานี้ยากไปอยู่กับเราตามมาถึงตรงปลายจุฬาตอนเราใจจะขาดหายใจไม่ได้ะมีสัญญากับหลงพะเถียนนะมันไม่ใช่อยู่กับร่วมกันเพียงสามเดือนนะเราอยู่กันไปเลยต้องสร้างสร้างสร้างชีวิตของเราให้มันดีนะ อวันนี้ก็สมควรใช่ไ่ม